รุ่งอรุณที่สุขโตตอนคืนความปกติให้แก่จิตใจน้ำฝนช่วยบำรุงเลี้ยงร่างกายได้ดีกว่าน้ำหวานฉันใดสติก็บำรุงเลี้ยงจิตใจได้ดีกว่าความคิดปรุงแต่งที่น่าพลอดเพลินยินดีมีสีสันฉันนั้นการมีสติหมายถึงการอยู่กับปัจจุบันขณะ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 ปรากฏว่าเป็นเพื่อนมาชวนไปเที่ยวพอรู้เข้าก็รู้สึกฉุนขึ้นมาเลยคิดขึ้นมาในใจว่าเวลาสุขก็มีอุปสรรคครั้นจะทุกข์ก็ยังมีขวากหนาเสียอีกทุกข์ไม่สมใจเลยคนเราเวลาทุกข์ก็อยากจะจมอยู่กับความทุกข์คลุ้นคิดในความทุกข์อยู่นั่นแหละไม่อยากทำอะไรไม่อยากไปไหนอยากจะจมจ่าอยู่ในความทุกข์นั้น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 เห็นว่าความโกรธนี้มันไม่ดีอย่างไรมันทำลายเรามันบั่นทอนเราเวลาเราโกรธ ค, คนน้นคนนี้นึกอยากจะทำร้ายเขาคนที่เดือดร้อนเป็นคนแรกคือใครไม่ใช่เขาแต่คือเราขณะที่เราพยายามคิดจะเล่นงานเขาคนที่ถูกเล่นงานเป็นคนแรกคือเราไม่ใช่เขาความโกรธมนเล่นงานเราก่อนคนอื่น